บัรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของธาตุในธาตุวิฟังแกสูตรคือประสูตรที่พระพุ้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกธาตุนั้นได้ทรงจำแนกไว้เป็นหกธาตุด้วยกัน ธาตุที่หได้แก่วิญญาณธาตุคือความผ่องใสที่ปรากฏอยู่ภายในใจของบุคคลนี้คำว่าวิญญาณที่ใช้ในภาษ า, าศาสนานั้นในที่ทั่วๆไปแล้วจะพบว่ามีอยู่สามวิญญาณด้วยกันวิญญาณแรกที่ได้ยินได้ฟังกันแพร่หลายคือวิญญาณอคต ได้แก่วิญญาณในขันห้าซึ่งทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจำแนกออกตามชื่อของอายตนะภายในที่เรียกว่าจักวิญญาณความรู้ทางตาโสตะวิญญาณความรู้ทางหูคณะวิญญาณความรู้ทางลิ้นชิวหาวิญญาณความรู้ทางิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้น กายวิญญาณความรู้ทางกายและมโนวิญญาณความรู้ทางใจวิญญาณอีกประเภทหนึ่งนั้นเน้นไปที่ปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณซึ่งจะถือปฏิสนธิในกำเนิดต่างๆตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร ระสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณพระวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเป็นต้นซึ่งเป็นการแสดงถึงสภาพของชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยเหตุโดยปัจจัยปัจจัยในส่วนที่เป็นนามธรรมก็คือเรื่องของกิเลสที่เรียกว่าอาวิชชาที่จริงในความเป็นกิเลสนั้น คือตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ถือว่ายังมีอวิชชาอยู่เพราะฉะนั้นการถือบัตรบังเกิดในกติภพต่างๆแม้พระอนาคามีก็ยังมีการบังเกิดอยู่ทั้งๆที่ในแง่ข้อเท็จจริงแล้วคุณภาพในด้านจิตใจของท่านมีความสงบประนีตขึ้นไปโดยลำดับแล้วแต่เนื่องจากยังละอวิชชายัางไม่ขาดท่านจึงยังเรียกสรุปรวมอยู่ในกลุ่มของอวิชชา ในส่วนสังขารนั้นก็คือส่วนที่เป็นบุญเป็นปาบาปและส่วนที่เป็นอรูปฌานอันเป็นคุณภาพของจิตใจที่แตกต่างลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับปัจจัยทั้งสองประการนี้เป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณขึ้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณถือปฏิสนธิในกาเนิดใดก็ขอให้เป็นนามรูปขึ้นในกาเนิดนั้ น, น, น ซึ่งข้อนี้ได้ทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าวิญ ญ, ญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณหมายความว่าเป็นสถานที่ที่ปฏิสนธิวิญญาณจะไปปฏิสนธินั้นมีอยู่ถึงเจ็ดระดับด้วยกันและวิญญาณอีกประเภทหนึ่งก็คือวิญญาณในธาตุอย่างที่ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้มีธาตุหแต่ธาตุที่6คือวิญญาณใธาต ได้แก่ธาตุรู้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นพื้นฐานเป็นคุณภาพในด้านจิตใจที่ได้เก็บสะสมอะไรเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างซึ่งก็ไม่เหมือนกันตามปกติแล้วตัววิญญาณธาตุเองก็มีความผ่องใสที่ท่านใช้คำว่า <c oughs> ประพัดสอนบ้างคือหมายความว่า โดยพื้นฐานปกติแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่วิญญาณธาตุก็อาจจะเศร้ามองไปเพราะมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาทําให้เกิดความเศร้ามองอย่างที่ทรงแสดงสภาพของจิตไว้ว่าลูกกรรพริกสูตทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่จิตต้องเศร้ามองไปเพราะอุปกิเรสจรมาทําให้เศร้ามอง เรื่องของวิญญาณธาตุจึงเป็นตัวเก็บสิ่งที่เป็นความดีความชั่วไว้ภายในตามคุณลักษณะของจิตนั่นเองซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคุณลักษณะของจิตที่ทำงานต่อเนื่องและสัมพันธ์กันได้แก่การรับรู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสอันเป็นหน้าที่ของวิญญาณคัน่นและการเก็บ การสะสมอารมณ์ที่รับไว้ภายในใจที่เราเรียกกันว่าสัญญา <c oughs> และในขณะเดียวกันก็นำเรื่องซึ่งเก็บสะสมไว้นั่นเองไปคิดไปวิตกุกไปตรึกนึกด้วยประการต่างๆที่เราเรียกกันว่าวิตกุกหรือความคิดเมื่อคิดแล้วก็จะเกิดความรู้ตามสมควรแก่ชั้นของความคิด เพราะสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่คือถ้าเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากก็เก็บไวมากเมื่อเก็บไวมากก็คิดได้มากเมื่อคิดได้มากความรู้ก็จะลึกซึ้งในจุดนั้นๆดังนั้นปริมาณของความรู้ภายในใจของคนเราจึงแตกต่างกันและตัวนี้เองก็กลายเป็นเสริมสร้างคุณภาพของวิญญาณธาตุที่ให้ สาแดงออกรับรู้ซึ่งสิ่งต่างๆที่ผ่านมาไม่เหมือนกันแต่พึงเข้าใจว่าวิญญาณทั้งสามประการที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการพูดถึงวิญญาณหรือพูดถึงจิตซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์เรียกวิญญาณอันขัจิตที่จุติออกจากร่างไปถือปฏิสนธิใหม่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ และส่วนธาตุคือเชื้อความรู้ที่มีอยู่ภายในใจเรียกว่าวิญญาณในธาตุได้แก่จิตที่อยู่ภายได้แก่จิตของบุคคลนั่นเองและในจิตนั่นเองจะพบว่าเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้านำมาวิเคราะห์ตรวจสอบจิตใจของบุคคลทั้งหลายก่อนที่จะแสดงธรรมที่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาร คือรู้ใจทายใจตรวจสอบสภาพใจของบุคคลได้บุคคลนี้ควรจะแสดงธรรมะอย่างไรจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้การแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงโดยอเนกกระิยายเพราะพื้นฐานของวิญญาณหรือพื้นฐานจิตใจของบุคคลไม่เหมือนกันประกอบที่จะแสดงพระองค์จึงตรวจสอบในด้านอินทรีย์ คือพื้นฐานทางศรัทธาทางความเพียรทางสติทางความสงบทางปัญญาเสียก่อนและตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าอธิมุดคือพื้นเพยอธิยาศัยของเขาที่มีความโน้มเอียงไปในทางใดซึ่งความโน้มเอียงเหล่านั้นก็ไม่เหมือนกันและตรวจสอบถึงความแก่อ่อนของกุณธรรมทั้งหลายมีสมาธิมีฌานเป็นต้นซึ่งคนเราก็อบรมมาไม่เหมือนกัน เหล่านี้ก็เป็นเรื่องของจิตหรือตัววิญญาณธาตุแต่ว่าในาที่นี้ทรงแสดงโดยปริยายหนึ่งคือนัยหนึ่งว่าได้แก่จิตที่ทําหน้าที่รู้สุขรู้ทุกได้รู้ไม่ทุกไม่สุขซึ่งหมายความว่าเป็นวิญญาณธาตุที่ขึ้นสู่วิชีสเสวยอารมณ์รับรู้อารมณ์แล้วโดยทรงแสดงว่าวิญญาณธาตุจะทําหน้าที่วิเคราะห์อารมณ์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะโดยละเอียดเช่นเมื่อเกิดสุขเวทนาขึ้นทางกายก็ตามทางใจก็ตามก็รู้ว่าสุขเวทนานี้เกิดจากผัสสะคือการกระทบที่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าจะย้อนถามต่อไปว่าผัสสะนั้นคืออะไรก็คือการประจบ ก, กัน ร, ระหว่างตาหู ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นก็เกิดความรู้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นการกระทบดังนั้นเวลาผัสสะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาก็กําหนดกําหนดจิตรู้ว่าขณะนี้ประสบสุขเวทนาซึ่งมีเหตุปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาแต่เมื่อ ัาษาอันเป็นเหตุปัจจัยแห่งสุขเวทนาดับไปก็รู้ว่าขณะนี้ัาษาคือการกระทบอันเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาดับไปแล้วเป็นการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของเหตุปัจจัยและมีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, ร ى, ปรวนไปตามเหตุปัจจัยข้อที่น่ากำหนดดูประการหนึ่งก็คือตัวภาษาที่ทมหน้าที่กระทบ ผัสสะนั้นโดยปริยายหนึ่งทรงเรียกเป็นอาหารเรียกว่าผัสสอาหารแต่แก่สิ่งที่นําผลมาซึ่งอาจจะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วผัสสะนั้นเป็นสาธารณเจตสิกคือเจตสิกกลางๆไม่บาปไม่บุญไม่ชั่วไม่ดีไม่ชั่ ว, ด, วด้วยตัวของมันเองแต่ทําไมจึงเกิดเป็นสุขบ้างเกิดเป็นทุกข์บ้าง เกิดเป็นไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างท่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่จิตของบุคคลไปกำหนดกาหนดหมายตัวพรษาเหล่านั้นกำหนดหมายในแนวอะไรถ้ากำหนดหมายในแนวว่าน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจพรสษานั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาแต่ถ้าหากว่ากำหนดอีกแนวหนึ่งอีกด้านหนึ่งของพรรษะเหล่านั้น ว่าสิ่งนี้ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาดังนั้นจึงทรงแสดงในตอนต่อไปว่าวิญญาณธาตุได้ทําหน้าที่รู้ทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วมองเป็นกระบวนการของเหตุของปัจจัยว่าเวลานี้กําลังประสบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากผัสสะอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนา ก่อนเกิดก็รู้ในขณะที่กําลังเสวยทุกขเวทนานั้นก็วิเคราะห์ไปว่าการที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้นเ พ, เพราะตัวผัสสะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นตัวทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นเวลาผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาแกดับไปก็รู้ว่าขณะนี้ปัจจัยแห่งทุกปั ัาษาอันเป็นปัจจัยแห่งทุกเวทนาดับไปแล้วการมองทั้งสามช่วงของเวทนาที่บางเกิดขึ้นในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเช่นนี้ธรรมะที่เป็นอุปการะที่สำคัญก็คงไม่อื่นไปจากความเพียรจากสัมปชัญญะจากสติที่ระลึกรู้ทันด้วยความเปลี่ยนพยายามการมองสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ในระดับอารมณ์ของกรรมฐานเสมอไปถ้าหากว่าบุคคลใช่เป็นก็จะพบว่าแม้ในชีวิตประจําวันของเรานี้เองบุคคลก็ประสบสุขบ้างประสบทุกบ้างประสบสิ่งที่เป็นอนทุกขกรรมสุขคือไม่จะทุกขก็ไม่เชิงจะสุขก็ไม่ใช่บ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลได้อาศัย สติสัมปชัญญะระลึกรู้ย้อนเข้าไปถึงก่อนที่จะเกิดขึ้นของสุขของทุกข์และของไม่ทุกข์ไม่สุขเหล่านั้นก็จะมองได้ว่าบางอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกบางอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือใจซึ่งไปกําหนดหมายใจที่ไปยึดท่านั้นเอง จึงกลายเป็นความสุขและความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะภาษามีลักษณะเป็นกลางๆงดังที่กล่าวแล้วภาษาอย่างหนึ่งอาจจะก่อให้เกิดสุขเวทนาแก่บุคคลหนึ่งและอาจจะเกิดทุกขเวทนาแก่บุคคลหนึ่งและในขณะเดียวกันอีกบุคคลหนึ่งก็อาจจะรู้สึกเจ๊ฉยได้ดังนั้นคำว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นจึงมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตัวภาษะเป็นกลางๆ ก, การกําหนดหมายของบุคคลเป็นปัจจัยหลักยิงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเป็นอนทุกขกรรมสุขแม้ในยามที่ประสบอทุกขกมสขุขเวทนาก็กําหนดได้โดยนิยาเช่นเดียวกันว่าภาษาอันเป็นปัจจัยให้เกิดอทุกขมสขุขเวทนาคือไม่เชิงทุกขไม่เชิงสุขนั้นได้เกิดขึ้นเวลาประสบเวทนาในทํานองนั้นก็รู้ว่า ภาษาอันเป็นปัจจัยให้เกิดอุกกมสุกเวทนาปรากฏอยู่เวลาดับไปก็รู้เช่นนั้นซึ่งเมื่อมองไปในจุดอื่นนั่นก็คือการรู้เรื่องความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของเวทนานั่นเองและในที่สุดได้ทรงแสดงเป็นทํานองอุปมาว่ามันเหมือนกับบุคคลเอาไม้มาสีไฟ หรือพูดง่ายๆในปัจจุบันว่าเหมือนกับกรักไม่ขีดกับหัวไม่ขีดถึงแม้จะอยู่ร่วมกันหรือ ว, วางใกล้ชิดกันแต่ไม่นำไปกระทบกันความเป็นไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อเอาสิ่งทั้งสองประการนั้นนำเข้าไปขีดเข้ามันก็กลายเป็นไฟขึ้นไม่ได้เรื่องของอารมณ์ทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะอย่างนั้น ถราหากว่าโดดเดียวอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่ก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดเกิดเคืองเป็นต้นคิดมาแต่พอเริ่มจากสองไปแล้ว <c oughs> ก็จะมีปัญหาติดตามมาอย่างความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่พระราชาพระองค์หนึ่งและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์ต้องสาร ะ, ะราชสมบัติออกบวชเป็นพระบัจเจกาพระพุทธเจ้าในที่สุดนั้นก็อาศัยความคิด จากการมองสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้น น, นซึ่งสายตาสามัญชนทั่วไปก็มองในแง่ของธรรมดาแต่สมาบุคคลผู้มีบา ร, รมีแล้วก็จะมองไปอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งคือเกิดขึ้นมาจากนางทาสีคนหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่แกมีกำไลใส่อยู่ทั้งสองมือพอซักผ้าแกก็เปลี่ยนกำไลอีกด้านหนึ่งมาใส่อีกมือข้างหนึ่ง เมื่อก่อนมีกำไลด้านละข้างเวลานางทาสีคนนั้นจะเดินจะไปไหนจะทำอะไรก็ไม่มีเสียงดังแต่พอแกเปลี่ยนกำไลมาไว้ในมืออีกด้านหนึ่งมีเสียงกระทบกันทุกครั้งที่แกขยี้ผ้าที่แกซักผ้าที่แก ส, กแกสัดผ้าทุกครั้งที่แกขยับมือเป็นต้นราชาก็ได้เริ่มแนวความคิดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นพอเริ่มเป็นสองเป็นสามไปแล้วก็จะมีปัญหาตลอดไป วิธีที่จะแก้ไขก็คือการที่จะหลีกตัวเองออกไปซึ่งท่านใช้คำว่าพึงเที่ยวไปคนเดียวเหมือนหนอแรกอันเป็นความคิดสำหรับท่านที่มีบารมีธรได้สั่งสมได้อบรมมาแก่ก้าแล้วต่นในที่นี้ทรงสอนให้พิจารณาในแง่ของการไม่พยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายความคุ้นข้อง ความเศร้าหมองที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั่นก็คือการไม่ใส่ใจถึงความรู้ที่เกิดขึ้นมาทางตาเป็นต้นไม่ใส่ใจในผัสสะหรือไม่ใส่ใจในเวทนานั้นเป็นเรื่องระดับ น, นซึ่งข้อ น, นี้ก็ได้แก่คําพูดที่เรียกกันว่ารูปก็สักแต่วรูปเสียงก็สักแต่ว่เสียง หรือวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาในแก่การที่บุคคลจะต้องพยายามทาใจของตัวเองให้อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นที่มากระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีไม่เอาใจเข้าไปคลุกคล้าอารมณ์หรือปล่อยให้สยบติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นโดยการเพียนพยายามรู้เท่าทันของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้น ในแง่ของเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วให้เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติขัดเกล้าจิตใจของตัวเองโดยทรงยกอุปมาเหมือนกับคนช่างทอง ท, ทองําทองเผาทองขับไล่สนิมเผาไฟซัดน้ํากับไล่สนิมเผาไฟแล้วก็เพ่งมองดูทํากันไปอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ท, ทําซ้ําๆักษะจนในที่สุดนั้นสนิม ก็ได้ถูกขจัดออกไปทองก็ปรากฏความเป็นทองเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดมีแต่ทองที่แท้จริงปรากฏขึ้นการเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมในทางศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทรงสอนให้บุคคลเพียรพยายามปฏิบัติในลักษณะที่ขัดเกลาร คือค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำกันไปเรื่อยแต่ให้มีการกระทำในลักษณะที่สืบเนื่องกันมากบ้างน้อยบ้างหรือบางครั้งบางคราวทำไปได้แล้วก็เกิดเสื่อมไปเป็นต้นซึ่งว่าที่จริงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาโอกาสที่คนจะผ่านขั้นตอนในการละกิเลสโดยไม่แพ้แพ้หรือไม่อยู่ชะ ง, งักนั้นมีได้น้อยเต็มทีแม้คนระดับที่เป็น พระพุทธเจ้าเองหรือคนที่จะเป็นประหันสำคัญสำคัญก็ประสบกับปัญหาในลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลใช้หลักในการดำเนินชีวิตเบื้องต้นก็คือการกำหนดรู้เวทนาที่บังเกิดขึ้นว่ามาจากเหตุจากปัจจัยและพยายามที่จะละเว้นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นทุกขเวทนาแก่ตนนั้นประกาศ ประการที่สองนั้นพยาไม่ไปเกี่ยวข้องซึ่งหมายความว่าแม้จะเกี่ยวข้องระหว่างสองคนขึ้นไปหรือสองเรื่องราวขึ้นไปอาจจะมีปัญหาติดตามมาแต่ประการสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรใจคนจึงจะหยุดในบางเรื่องลงไปได้อย่างในกรณีที่มีคนด่าถ้าไม่ด่าตอบก็หยุดได้ มีคนโกรธ ถ, ถ้าไม่โกรธตอบก็หยุดได้มีคนทําชั่วลุกรานคุกคามกันด้วยประการต่างๆแต่ไม่มีการโต้ตอบก็หยุดได้นั่นก็คือการปฏิบัติตามหลักที่คนไทยพูดปาตบมือข้างเดียวไม่ดังปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนและในชีวิตของคนนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการไปริเริ่มไปสร้างข่าวไปกระทบข่าว และในที่สุดตัวเองก็ถูกเปลี่ยนเปียนด้วยทุกขเวทนาจนบางครั้งบางคราวก็สูญเสียในหลักยึดเหนี่ยวทางใจต่นั้นในชั้นนี้จึงทรงสอนในรูปที่เรียกว่ามันแม่แมจะมีไม้ไม้อยู่สองอันหรือแม่จะมีทั้งกรับไม่ขีดทั้งหัวไม่ขีดแต่ก็ไม่เอาไปขีดเมื่อไม่เอาไปขีดการเข้าสิ่งทั้งสองนั้นก็วางอยู่ใกล้กันหรืออยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่เกิดไฟขึ้นมา ในประการที่สามนั้นคือให้เพียนพยายามปฏิบัติขาดเก่าไปเรื่อยๆซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางครั้งบางคราวต้องอาศัยการเวลาเข้าช่วยและช่วยกันเป็นอันมากอาศัยความเพียนพยายามที่กระทําไปติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือในชีวิตประจำวันของตน เวลาประสบกับอารมณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขมองสืบสาวถึงถึงต้นตอของความทุกข์ความสุขและไม่ทุกข์ไม่สุขเหล่านั้นเพราะแท้จริงมันมาได้อย่างไรมีเรื่องเป็นอันมากที่พูดได้ว่าไม่เป็นเรื่องแต่คนก็พยายามปรุงคิดคิดปรุงให้เป็นเรื่องขึ้นมาและในที่สุดก็สร้างปัญหาขึ้นมา กัดกร่อนจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นประเภทที่ไม่เป็นเรื่องก็ตัดไปเสียตั้งแต่ตน้นจิตใจของบุคคลจะเบาลงจะโปร่งขึ้นจะมีอิสระแก่ตนมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆขัดเกลาไปแน่นอนการเพียรพยายามปฏิบัติโดยทำนองนี้ บางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในรูปของตะทางกะระปารหเกยละได้ในขณะนั้นๆเอาชนะการเสียในเบื้องต้นเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้แก่จิตใจของตัวเองคือให้มีจิตใจให้จิตใจของตัวเองมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นโดยลำดับเลาก็ทำนองเดียวกับการยกของหรือการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็ทํากันไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกครั้งที่ทําทุกครั้งที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการงานเหล่านั้นมันมีความรู้เกิดขึ้นมันมีความชํานิชนานาญเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งในด้านกายเกิดขึ้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างให้ฟังว่านี่เด็กหนุ่มคนหนึ่งแกอยู่กับลูกโคตัวหนึ่งมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแกก็อุ้มโคลงแกไปอาบน้ําทุกวัน แกอุ้มจนโคถึกแล้วแกก็ยังอุ้มได้เพราะเป็นการกระทำทุกวันไม่มีความรู้สึกว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะักแต่ในตำนองตรงกันข้ามตะคนที่ไม่เคยทำมาเลยขึ้นไปอุ้มข้าวมันก็อุ้มไม่ได้การฝึกปลือการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกระทำอย่างไรจึงจะมีการขัดเกล้าวเผาไฟเหมือนกับช่างทองหรือว่าลูกน้องของช่างทอง ที่เอาทองเข้าลงเข้ า, ต เ, า, เ, ข า, เ, ขาเตาเข้าเผาขับไล่ขจัดสนิมแล้วก็ดับด้วยน้ำเพ่งเลงดูถ้าหากว่ายังมีสนิมก็เผาต่อไปแล้วก็ขับไล่ไปซึ่งการสอนในแนวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนฟังเป็นใครบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในรูปของช่างสอนดัดลูกสอนคือนำไม้มาจากป่ามาถึงก็ถาก ถากทำเป็นรูปของลูกสอนข้าวแล้วก็เผาที่ไฟทาน้ามันเผาไฟแล้วก็พยายามดัดดัดแล้วก็เลงเลงแล้วก็เผาเผาแล้วก็ดัดดัดแล้วก็เลงคือทำแล้วทำอีกกว่าจะเป็นลูกสอนขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานานผ่านกรรมวิธีมาหลายขั้นหลายตอนด้วยกันการปฏิบัติฝึกหัดจิตเพื่อกรจัดสิ่งที่เป็นมนทนจิตก็มีลักษณะเช่นนั้น พยายามทำกันไปเรื่อยๆจนบางเกิดเป็นความผ่องใสขึ้นภายในใจคือในขณะนั้นหมายความว่าทองคืนสู่สภาพความเป็นทองที่แท้จริงลูกศร น, นั้นกลายเป็นลูกศรที่เหมาะวมแก่การงานแล้วก็พร้อมที่จะใช้การงานตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆหรือเหมือนกับทองก็พร้อมที่จะนำไปตกแต่งแปรรูป เป็นทองรูปประพันธ์ต่างๆตามความพอใจของบุคคลเหล่านั้นแต่ด้านจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทีทรงสอนว่าให้ฝึกปรือจนเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้ใช้งานได้ก็จะน้อมไปในที่ไหนเช่นในด้านของสมาธิเมื่อเดินมาในด้านสมาธิจิตมีความสงบมากพอก็น้อมไปเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไป ก็สามารถที่จะน้อมไปได้และเมื่อเดินไปจนถึงความซส ง, งบเป็นอุเบกขาคือเจ็ดจิตอยู่ในถ้ำกลางกับความสมาธิคือความส ง, งบมั่นคงตอนนี้ทรงแสดงว่าจะน้อมไปที่ใดก็ได้จะน้อมไปทางอารูปไปฌานก็ไปได้จะน้อมไปทางฌานทางอภิญญาก็น้อมไปได้มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับคนเราที่เริ่มตั้งตัว เก็บสะสมเงินทองขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับการสั่งสมของจอมปลวกซึ่งเป็นการสะสมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อมีเงินทองมากพอแล้วเขาก็พร้อมที่จะน้อมเงินนั้นไปลงทุนดำเนินกิจการอะไรในกิจการต่างๆที่ชาวโลกเขาทำกันบุคคลเหล่านั้นก็พร้อมที่จะเอาทุนซึ่งตนเก็บสะสมไว้เป็นเวลานานนั้นไปลงทุนได้ แต่ถ้าหากว่าไม่มีทุน่ะไม่มีการเก็บไม่มีการสะสมไว้ก็ไม่พร้อมที่จะเงินนั้นน้อมไปในด้านใดก็ตามเพราะไม่มีเงินจะน้อมไปจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าไม่มีการฝึกปลือถ้าไม่มีการอบรมตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะในที่นี้ก็คือสมขั้นขั้นแรกก็คือกําหนดรู้ในด้านของเวทนาที่บงังเกิดขึ้นให้ทันในแง่ของเหตุปัจจัย ขั้นที่สองก็คือพยายามไม่ไปรับรู้อารมณ์คือไม่ใส่ใจ น, นั่นเองถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใส่ใจเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เกิดขึ้นแล้วรับรู้แล้วจัดการไปแล้วก็เลิกแล้วต่อกันเป็นการพยายามปล่อยวางอารมณ์ที่บางเกิดขึ้นในแต่ละขณะด้วยการพยายามปฏิบัติขัดเกลาจิตเช่นเดียวกับช่างทอง ขับไล่สนิมที่เกิดขึ้นแก่ทองจนทองอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้แปรรูปเป็นทองรู ป, ปรภัณฑ์ต่างๆฉันใดาการฝึกปลือปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็พึงทาในลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป